วันนี้ฉันน้ำ น, นี่ขวดแบบสามร้อยสามสิบร้ยสมสิบวันวันแรกนี่เขาใส่เอ า, าน้ำขวดแบบห0ร้อยห l ร้อยมลหดยาวทีนี้ถ้าขวดนี้เทียบกับขวดห0ร้อยเนี่ยขวด600ร l อยมมันก็เยอะกว่าอันนี้ใช่ไหม ทำไมเราบอกว่าอันนี้มันน้อยเพราะว่าเรามีขวด600มลมาเทียบใช่ป่ะนี้ถ้าไม่มีขวด600มลธรรมดามันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็คือขวด600มลเล ย, เลยทำไมคลิปที่มันเยอะมันก็คืออย่างนี้เลยมันก็ตร ง, งๆง่ายๆนะทําหน้าตาเครื่องชั้นมากรอยเต็มไปหมดเลยถ้ามันไม่มีอะไรมาเทียบกับมันมันก็คือตัวของมันนั่นแหละ ใช่ป่ะแต่พอเราเอาอะไรมาเทียบ ม, มันะ่ะมันก็จะมีดีมีไม่ดีมีมากมีน้อยเป็นเรื่องปกติอย่างถ้าเราบอกว่าน้ําอันนี้มันพอดีไหมมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าพอดีหรือเปล่าแต่พูดได้คําเดียวคือมันอยู่ในขวดมันพอดีกับขวดนี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามันพอดีงั้นอนี้เอาฝามาเนี่ยมันเอาน้ําใส่เนี่ย น้ำมันเยอะกว่าฝานะที่บอกว่าพอดีมันคือพอดีสําหรับขวดแต่มันไม่พอดีสําหรับฝาเข้าใจไหมน้ํามันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรมากอะไรน้อยมันต้องมีตัวเปรียบเทียบอ่ะเนยถ้าเราไม่ได้เปรียบเทียบอะไรอย่าเงี้ยเราชีวิตเราก็บอกสบายนะบางทีชีวิตเรามันหนักหนักเพราะอะไรเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไป เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้บ่อยจนเกินไปเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มีอยู่ในใจมากจนเกินไปมันเป็นอย่างนี้เพิ่แน่นอนทุกช่องเลยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเราทำให้ตัวเราเองทุกเองทำแบบไม่รู้ตัวหรือรู้แล้วทำก็ไม่รู้นะอันนี้ละ พูดยากบางคนรู้แล้วก็ทำรู้ว่าเปรียบเทียบไม่ดีก็ยังขยันเปรียบเทียบอยู่นั่นแหละรู้ว่าให้มันเป็นในแบบที่มันเป็ น, นดีพอใจในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็ดีอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะพูดอย่างนี้ก็อาจจะคันค้านิดหนึ่งว่าเอา้าการปฏิบัติ หรือว่าการทำงานมันต้องมีเป้าหมายที่ที่เราจะดำเนินไปสิไม่งั้นเราจะมีความก้าวหน้าได้ยังไงอันนั้นก็เป็นแนวคิดแบบทั่วไปของโลกใบนี้ใช่ปะ่ะทำไปอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้ไอ้จ้องไปตรงนั้นใช่ปะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความคาดหวังขึ้นมา พอมีความคาดหวังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบุคคลอยู่สองประเภทที่จะมีความทุกข์ที่แตกต่างกันอย่างคนทุกข์น้อยมีความคาดหวงังใช่ป่ะพอมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังหวงังก็อ่ะก็ทุกอยู่แล้วก็โอเคพอทําใจแล้วก็ไปเริ่มใหม่แต่มันก็จะมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ว่า เป็นพวกบ้าความสมบูรณ์แบบอ่ะมันต้องให้มันได้อย่างทุกกระเบียดนิ้วให้มันเนียบให้มันได้ให้มันดีถ้ามันไม่ดีให้ที่มันไม่เนียบไม่พอใจดูเหมือนมันเท่ดีนะแต่คนแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าในทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่ที่ไปเปิดช่องให้ให้ กิเลสมันเล่นงานใจของเราดูภายนอกมันดูดีแน่นอนแล่ว่าทําอะไรที่มันจริงจังทําอะไรที่มันแบบว่าให้มันสําเร็จผลที่ตั้งใจไว้อย่างนี้นะแต่ถ้าความมองในทางด้านใจิตใจแล้วอ๋อเสียหลักเสียหลักเลยทุกเยอะแล้วทําไมมาถึงทุกข์ล่ ะ, อะมองดูสิคนเราเนี่ยส่วนมากใช้คําว่าอะไร อยากทำให้มันดีอยากให้มันดีอยากให้มันดีเร็วๆมันมีอะไรมันมีอยากนำหน้าอยู่นั่นแหละมันมีอยากนำหน้าตรงแหนมันก็ทุกตรงนั้นแหละเอาคำว่าอยากโปกเข้ามาแล้วมันก็ทุกตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระรเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้อยากแต่สอนให้รับความอยาก คนเราเนี่ยพอมีความอยากมันเหมือนมีความก้าวหน้าไงแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะเนี่ยความก้าวหน้าเราได้มาจากไหนได้มาจากการที่เราลดความอยากในใจของเราลงไปดูแล้วมันก็ขัดใจนะไม่มีอยากก็ไม่มีความกระตือรือร้นเด็ดไม่มีอยากแล้วมันจะมีความขยันหมั่นเพียรได้ไงอันนั้นก็คนธรรมดาไง คนธรรมดาที่มันอยู่ในวัตะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่คนที่ไม่ธรรมดาที่จะสวนกระแสของวัตฏะอันนี้มันต้องไม่ธรรมดาสิเพราะนั้นลดทอนความอยากทำแบบไม่ต้องเอาความอยากมาจูงใจเราไงก็ทำได้ใช่ไหมถึงบอกว่าขยันก็ทำชี้เกียรก็ทำดีก็ทำไม่ดีก็ทำใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยเจ๋งว่าอีกแล้วก็ มันมีความเสถียรทางด้านจิตใจมากกว่าตั้งเยอะอะไรอยากทําแล้วทําได้ไม่ดีเท่าที่อยากไว้ก็ทุกข์อยากทําแต่พอขี้เกียจเกิดไม่ได้ทําขึ้นมาแล้วก็มานั่งทิ้งแทงตัวเองโอ้ยทำไมฉันถึงขี้เกียจแบบนี้ทำไมฉันถึงขี้เกียจอย่างนี้ก็โดนไปอีกช่องหนึ่งไม่มีอะไรเลยมีแต่ช่องที่ให้กิเลสมัน คอยขยี้ขยำจิตใจไม่ได้มีช่องที่จะเล่นงานกันเลยดูเหมือนเท่แต่สุดท้ายกลายเป็นกระสอบสยมันอัดจนน่วมไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายความอยากในผลย้ายคือเวลาเราเขาเรียกว่าเหมือนเราเข้ามาในวงการอ่ะ บางคนอนย่างตอนเราอยู่หอใช่ป่ะตอนเรียนมหาลัยเพื่อนมันก็ขนกีตา้ามาขนกีตา้าวไปจากบ้านมาเลยบ้านมันอยู่อุดรขนกีตา้าวมาไม่พอนะเป็นกีตา้าวไฟฟ้าด้วยมันขนแอมมาด้วยแอมก็ตัวเท่านี้่ยันใหญ่เลยลงทุนฮิ้วคือรถไฟมาด้วยเสร็จไปื่ก็มาเสียบเล่นตอนพักไม่เคยเห็นกีตา้าวไฟฟ้าเคยเห็นแต่ในทีวีไงพอเห็นเพื่อนมากีตา้าวไฟฟ้ามาแบบโอ้โคตรเท่อะ แล้วก็แบบมันก็ไม่ได้มาสายแบบตีคอร์ดธรรมดานะเป็นสายมาเนี่ยแบบกีตาร์ฮีโร่อ่ะมาแล้วก็ตื้อกดโซโล่กีตาร์เดียวดูแล้วก็ยิ่งแบบโอ้โคตรเท่เลยก็ให้มันสอนบงังฉันบอกอ่ะเดี๋ยวทำางนี้ฝึกแบบนี้ไปก่อนฝึกไปฝึกไปแล้วก็เห็นมันเล่นเห็นเพื่อนมันเล่นพะคือเลเวลมันต่างกันนี้นะไอเราก็แบบเบสิเพิ่งเริ่มใช่ปะ ของมันก็แอดวานแล้วเงี้ยพลิ้วเลยพอเราก็ฝึกฝึกไปแล้วก็ดูมันเล่นไปฝึกฝึกไปก็ดูมันเล่นไปแล้วก็มีความคิดอยู่ในใจว่าเล่นไม่ได้อย่างมันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่จะเล่นได้เหมือนมันสักทีวะอะไรเงี้ยสุดท้ายเลิกเล่นถอดใจซะ ก, ก่อนเพราะอะไรเพราะเราดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวดูแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะเล่นได้อย่างมันสักทีใจเรามันไม่ได้อยู่กับความสุขในการที่เราจะฝึก ฝึกพื้นฐานให้มันดีแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีแล้วสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปใช่ไหมก็สุดท้ายก็ล้มเลิกไปคนปฏิวัติธรรมก็เป็นแบบนี้กันสม่ำหพอเข้ามาในวงการปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นรายละเอียดเยอะแล้วมันก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบะว่าโอ้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นนนนแล้วเราอยู่ตรงไหนพอมันไปเปรียบเทียบบ่อยๆกําลังใจมันจะไปเหลือรอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนะี่ย มันเหมือนจะดีจริงๆแล้วมันถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็ทิ่มแทงเราเองบั่นพลกําลังใจของตัวเองไปแล้วพอไปเห็นคนอื่นเขาดีคนอื่นเขาดีเพราะเราไม่ได้สักทีหนึ่งโอ้นมันก็เป็นช่องให้มันย่ํายี่ัวใจเราแล้วเราก็ทําไม่รู้ต่อกี่ครั้งมันก็แทงเราไม่รู้ต่อกี่ครั้งกี่ครั้งทําไมเราถึงไม่เข็ด คนเราก็แปลกบบนี้นะชอบให้กิเลสมันแทงใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วยังไงการที่เราลดลดถอนเป้าหมายใช่ปะ่ะไม่ได้ไม่ลดถอนเป้าหมายสิลดทอนความคาดหวังของเราให้มันมาอยู่ในะปัจจุบันอยู่กับความสุขในการที่เราได้ทําความดีอยู่กับความสุขที่เราได้ฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้ว การที่เราทําวันนี้ดีวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เวลาที่ใจเราอยู่กับปัจจุบนันปุ๊บอันนี้มันลดถอนความคาดหวังไปแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ความคาดหวังของเรามันเฟื่องฟูขึ้นมาอีกคืออะไรก็คือจิตใจเรามันไม่เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะเรามีความคิดอยู่กับว่าอสมมติในการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดถอนความทุกข์ พอเราเห็นทุกข์แล้วเราก็แบบโอ้ยมันยังมีทุกข์อยู่มันยังมีทุกข์อยู่เมื่อไรทุกข์จะหมดไปสักทีหนึ่งมันมีความเห็นผิดๆแปลกๆออกมาแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เป็นช่องให้กิเลสมันทิ่งแทงเราเข้าไปอย่างพระพ้ดดวยเจ้าเลยถามว่าท่านกลัวทุกข์ไหมท่านไม่ได้กลัวทุกข์นะใช่ปะ จะบอกว่ามีเรื่องมากระทบกระเทือนจิตใจไหมมันมีเรื่องมีราวตลอดนั่นแหละตราดใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไม่มปัญหาก็มีมาเยอะแย ะ, อ, ะอย่างพระเทวทัตก็อยากจะแยกหมู่แยกพวกออกไปเป็นศาสนาใหม่ก็มี อ, อย่างนางจินจับมานาวิกาเนี่ยมากล่าวต่อพระพุทธเจ้าว่าท้องกับพระองค์ก็มีมันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยนะก็เป็นปัญหาใหญ่เลยโดยยิ่งคนสมัยโบราณนี่ โอ้โฮพอเรามีข่าวมันก็เมาส์กันบ้านแตกเมาส์กันไปนู่นล่ำเลยกันไปแล้วยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มันกดดันพอสมควรนะเวลาที่สังคมมันมีความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าแก้ตัวกันแก้ตัวอาจจะแก้ตัวกันได้คนสองคนที่มาเจอแต่กว่าข่าวที่มันจะแก้ตัวเนี่ย ความจริงที่มันมีเนี่ยมันจะกระจายจนเรื่องราวมันสงบประงับลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวเราต้องใช้เวลาพอสมควรปัญหาแบบนี้คิดว่ามันไม่ไม่มีกับพระพุทธเจ้าหรออันนี้พระพุทธเจ้าโดนกันมาโดยตรงเลยถต่เรื่องไหนว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กลัวกับปัญหาไม่ได้กลัวกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะไหลเข้ามาในจิตใจเพราะรู้แล้วว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้น แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรามีวิธีการจัดการกับปัญหาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพอเราปฏิบัติได้ถึงที่สุดแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตเราเลยอันนี้มันไม่ถูกต้องเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตราบใดที่มันยังอยู่ในความวุ่นวายมันก็ต้องเจอความวุ่นวายเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่ธรรมดาคืออยู่อยู่ในความวุ่นวายอยู่กับความวุ่นวาย อยู่บนโลกของความทุกข์อยู่กับความทุกข์ได้อย่างที่ตัวเองจัดการมันได้อันนี้คือคนที่ฝึกได้อย่างดีเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปฏิบัติไปใจเรามันต้องเข้มแข็งขึ้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าคนส่วนไม่น้อยอมีไม่น้อยที่ปฏิบัติไปแล้วจิตใจอ่อนแอลงกลัวทุกข์มากขึ้นไม่สู้ทุกข์ ี้แต่คนที่ปฏิบัติที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่กลัวทุกข์ไงมีทุกข์ทุกข์ก็คือข้อสอบข้อสอบมีเราก็ต้องแก้กันไปถ้าเรามีศักยภาพที่ดีจนพอเพียงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์ตัวไหนมาเราแก้ได้หมดอย่างเงี้ยเราจะไปกลัวทุกข์ทำไมใช่ไหมละ่ะมันจะมีหรือมันยังไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร แต่คนที่ยังอยู่ในช่วงฝึกหัดแล้วมีความเห็นที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันก็ไม่อยากทุกเนี่ยเพราะไม่อยากก็อย่างว่าไม่อยากก็คือส่วนหนึ่งของตัณหาใช่ไหเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัณหาตัณหามันก็นาใจเราไปอยู่แล้วเพราะตัณหามันนาใจเราไปอยู่แล้วแล้วมันจะไปเหลืออะไร ก็เป็นไฟเผาใจเราอยู่นั่นแหละอยากให้มันดีก็อันหนึ่งไม่อยากให้ทุ ก, ก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายทุกสองดิงเลยก็เหมือนอย่างที่บอกอะพอเราสอบสวนทวนความกันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็มาจบที่ใจเจ้ากรรมเลยลเป็นตัวปัญหาเองแล้วเราจะไปแก้แก้ตรงไหนก็มต้องมาแก้ที่เจ้าตัวปัญหานี่แหละก็คือที่ใจของเราสุดท้ายอยาก มันก็เป็นเพื่อนที่ที่เรากอดคอมันไว้อ่ะเอ้ยทําเลยเอาให้มันดีดีให้มันสุดทางเร็วๆนะอ่าเชียเราอย่างนี้แล้วก็เอาบ้ายอตามมันไปด้วยแล้วพอเจอทุกโว้ยมีทุกไม่ดีหรอกโอถ้าเราไม่มีทุกนะมันจะดีใจเรากสบายอ่ะมันยุ่ยยุ่เราอีกสุดท้ายเราก็ไงเชื่อมันไงเราเชื่อมันแล้วเป็นไงก็ทุกอีก เปรียบเสมือนมันเอามีดแทงเราอลยแทงเร้องหลังแบบเราไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นเห็นถึงใจเจ้ากรรมที่มันมีเพื่อนสองที่เรียกว่ากิเลสที่เรียกว่าตัญหาคอยบงการจิตใจของเราอยู่ให้มันชัดเจนแล้วก็ให้อย่างเท่าทันให้ชัดเจนแล้วก็อย่างเท่าทัน ชีวิตเรามันจะได้หันหลังทีหนึ่งแล้วก็สบายใจว่าไม่โดนแทงหันไ้ทางนี้หลังเราก็ยังปลอดภัยอยู่ไม่โดนแทงก็อย่างที่บอกไว้เวลาที่เราจะแก้ทุกข้างนอกทุกข้างในสุดท้ายจริงๆแล้วมันก็อาจจะดูกลมกลืนนันไปนะบางครั้งบางเคสก็แยกยากนิดหน่อย แต่เราก็ให้พยายามแจกแจงให้มันเบื้องต้นเสียก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องของโลกข้างนอกเราก็แก้แบบวิธีโลกข้างนอกให้มันดีอย่าให้เสียศีลอย่าให้ผิดศีลอย่างนี้แล้วเวลาที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์เราก็แก้ในแบบจิตใจของเราที่เราฝึกหัดกันมา มีสติคอยรักษาใจเป็นเบื้องต้นเสียก่อนมีเบรกคอย ห, ห้ามอารมณ์ในใจเสียก่อนก่อนที่มันจะอารมณ์อันเนี้ยมันจะพาเราไปคิดไปพูดไปทําอะไรให้เราหยุดมันสักนิดนึงก่อนไตร่ตรองใคร่ควรวญให้รอบคอบเสียก่อนเราค่อยทําอันนี้เราก็จะเขาเรียกว่าได้บริหารโลกภายนอกไปด้วยแล้วก็โลกภายใน คือจิตใจของเราควบคู่กันไปแล้วชีวิตเรามันก็จะเสะถียรขึ้นเรื่องข้างนอกก็วุ่นวายลดลงเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีศีลนี่มันดีเรื่องวุ่นวายที่มันจะเขาเรียกว่าป้องกันถ้าเหมือนกับทําธุรกิจใช่ป่ะบางคนเขาเรียกว่าอย่างบางคนทำธุรกิจไปธุรกิจไปทําไปเขาเรียกว่าขาดทุนกําไรอะ่ะ ใช่ป่ะขาดทุนกําไรคือกําไรที่ควรจะได้กําไรที่ควรจะได้แต่กลับไม่ได้อันนี้เรียกขาดทุนกําไรใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราป้องกันได้มันก็ไม่เกิดขึ้นเห็มแต่ถ้าเราป้องกันไม่ได้ความเสี่ยงตัวนี้มันเกิดขึ้นมันก็เสียหายกับกับธุรกิจของเราดังนั้นการที่เรามีศิลที่มันดีเนี่ยมันเหมือนกับเราป้องกันความเสี่ยง ของธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นได้การที่เราไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ชอบโกงไม่เอาของที่เขาไม่ให้อะไรอย่างนี้นะพอเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราป้องกันทุกข์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเรามีศีลที่มันดีแต่ถ้าศีลของเรามันบกพร่องเนี่ย เรื่องที่ไม่ควรเกิดมันก็เกิดอย่างเราไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาเนี้ยเขาก็ต้องหาช่องหาโอกาสมาเอาคืนบ้างลหละหรือเราไปชอบโกงใครไปไปขโมยของใครมาเนี้ยวันหนึ่งถ้าเราโดนจับได้อ่ามันก็ติดคุกติดตารางกันไปฟ้องศาลกันไปเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกันไปหรือแม้แต่ การที่เรานอกใจคู่ของเราอย่างเงี้ยแรกๆเขาจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พอจับได้ก็บ้านแตกงั้นการที่เราไม่มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยที่เราละเว้นเรื่องราวพวกนี้ได้เนี่ยไอความผิดความเสียความพลาดที่พูดมาเมื่ อ, อตะกี้นี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีศีลเพราะนั้นก็จึงบอกว่ามันจะมีบาลีที่ว่าทำโมหเวรคติ ธรรมจารีทำย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็หมายถึงว่าเวลาที่เราประพฤติธรรมเองเรามีศีลเป็นต้นเนี่ยเราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ศีลก็ปกป้องเราเหมือนกันก็คือมันไม่มีเรื่องมีราวที่มันเสี ย, สยหา ย, หายเกิดขึ้นย้อนกลับมาทีหลังพอเรามีศีลนี่มันดีแล้วเนี่ยเราก็มาหัดทำความสุบใจ หากทำความสงบใจให้ใจเราไม่ร้อนรอนดิ้นรนวุ่นวายสายแสไม่มีที่อยู่เรามีสติที่คอยคุ้มครองใจดีแล้วใจเราไม่เซตสายใจเราตั้งมั่นมีความสุขอยู่ในภายในอยู่ได้ชีวิตเราก็ยิ่งเยือกเย็นยิ่งเสถียรขึ้นไปอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่กับคนรอบข้างก็อยู่เป็น เพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องลดลงอยู่แล้วแต่ถ้าทําแค่นี้มันยังไม่ดีที่สุดนะดีที่สุดคือเราต้องเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ให้มันตามความเป็นจริงไปด้วยเราจะได้เข้าใจถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่บนโลกสมมุติเนี่ยมันก็สมมุติกันตามชั่วระยะการเวลาอันหนึ่งความมีสาระแก่นสาร ของโลกสมมติใบเนี่ยมันมีมันมีแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาประมาณนิดหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมาเป็นทั้งหมดที่มันจะเป็นเนี่ยอันนี้เราก็ยังมีความเห็นที่มันผิดไปสันิดหนึ่งอย่างคนที่ทํางานเนี่ยโอ้เงินคือทุกอย่างเงินคือทุกอย่างของชีวิตเงินคือทุกอย่างของการที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเวลาคนบ้างเลยมันก็เป็นอย่างนั้น บ้างเงินไม่เท่าไหร่พอบ้างเงินมีเงินปุ๊บมันก็มีความไม่พออีกใช่ไหมแล้วก็ไปบ้าม้าต่อพอมีเงินก็อยากมีชื่อเสียงอยากมีคนนับหน้าถือตาหาความสุขที่ได้จากการคำสรรเสริญจากคนอื่นพอเขาไม่สรรเสริญในคุณงามความดีเราแล้วเอาเงินฟาดไปซื้อของให้เลี้ยงดูปูเสือไปกเอาเงินซื้อความสุขไป แต่มันเป็นความสุขที่มันยั่งยืนไหมมันไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเอาเงินซื้อตราบใดที่เรายังมีเงินมันยังพอได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเมื่อไหรความสุขที่มันจะกลับมามันหายไปหมดมันเป็นความสุขที่มันไม่ได้ยั่งยืนเพราะงั้นความสุขแบบผิดเพี้ยนที่มันเร่าร้อนแบบนี้เนี่ยพอเราพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยเราเราจะได้เห็นโทษมันแล้วเราคิดเราจะได้แบบอเราไม่เดิน บนถนนสายความสุขอันนี้หรอเพราะมันมีโทษอยู่เพราะมันมีโทษแล้ ว, แ ล, วแล้วอีกอย่างหนึ่งสาระเกียนสารของมันเนี่ยสุดท้ายตายไปชื่อเสียงเราก็แบกไปไม่ได้คนรักเราก็แบกไปไม่ได้เงินทองหามาเท่าไหร่นี่คนรอบข้างเอาไปหมดลูกหลานเอาไปใช้หมดรถยนต์บ้านเขาก็เอาไปหมด แม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ตอนนี้เราก็าเอาไปไม่ได้เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วเราจะเหนื่อยวิ่งหาทั้งชีวิตหาสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรถ้าเราคิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้ดีอ่ะจริงๆแล้วความจําเป็นมันมีอยู่ก็จริงความจําเป็นพื้นฐานมันคืออะไรอ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องการอาหารใช่ป่ะเพื่อที่จะดํารงอัตภาพนี้ให้มันพอเป็นไป เราต้องการที่อยู่ที่ป้องกันแดดฝนลมหนาวอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วเราก็ต้องการยาอาหารที่อยู่ยารักษาโรคอาหารที่อยู่ยารักษาโรคเครื่องนุ่ 6, งห่มสี่อย่างเวลาแก่แล้วเนี่ยนะความจำมันจะ มันค่อยคล่องตัวแบบสมัยเด็กๆเท่าไหร่เพราะนั้นความจำมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะแต่สิ่งที่มันมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสติคือความระลึกรูนะความระลึกรู้มันก็มีเท่าเดิมนั่นแหละแต่เพียงนี่ว่ามันเอาลิ้นชักความจาออกมาได้ไม่ดีแค่นั้นเองเพราะนั้นอุปกรณ์อนะันนี้มันก็ เริ่มเสื่อมโทรมเราไปเป็นเรื่องธรรมดาให้เราเห็นไปเป็นเรื่องธรรมดานทีนี้พอเราเห็นถึงว่าความไ อ, อความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยก็คือสี่อย่างนี้แหละถ้าสี่อย่างนี้มันบริบูรณ์ใช่ปะ่ะก็พอแล้วแล้วเราก็ใช้ส่วนที่มันบริบูรณ์นี้ให้มันพอเหมาะพอสมกับฐานะของเราแล้วเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างเรามีเรามี ไรายได้มากเราก็ใช้ใช่ปะ่ะเราก็ใช้ใช้นี่ใช้นี่ดำรงชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ทาบุญส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้เอาไว้เก็บส่วนหนึ่งใช้สงเคราะห์ญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ใช่ปะ่ะอย่างเราเราให้ทานเงนี้ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศล เป็นฐานะบารมีของเราเราเกิดที่ไหนที่ไหนไม่อดไม่อยากก็เพราะด้วยอํนานาจของฐานที่เราได้กระทําไว้แล้วก็อย่างหนึ่งเวลาที่เราให้ผู้เจ้าก็ตรัสเอาไว้นะทะัธมาโนปิโยโคติผู้ให้ก็ย่อมเป็นที่รักเราให้ใครเรามีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็มีน้ําใจตอบกลับเรามาเหมือนกัน ความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็นำมาซึ่งความผูกใจเป็นมิตรเป็นไมตรีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราก็มีกัลยาณมิตรคนที่มีแก่ใจดีๆให้กันและกันเพิ่มขึ้นเนะี่ยทานก็เป็นส่วนหนึ่งในวิถีที่เราจะได้แบบนั้น อันนี้ก็เป็นยังไงอะเป็นวิธีที่เราจะเข้าใจโลกใบนี้นะว่า อ, อความพอดีความจําเป็นจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วสาระแก่นสารจริงๆอ่ะเม่อันไม่มีปุ๊บเราก็ย้อนกลับมาไว้ที่ตรงความจําเป็นพื้นฐานของมันะแล้วสาระที่มันห ล, หลุดเลยจากอัตภาพอันนี้แล้วเนี่ยมันมีไหมมันก็มีไง ก็อย่างที่บอกไปก็คือบุญและบาปที่มันจะติดไปได้นอกจากบุญและบาปอะไรที่มันติดไปได้อีกก็คืออุปนิสัยที่ใจของเราที่เราสังสมไว้ติดไปได้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงสภาวะตามความเป็นจริงอันนี้มันติดไปได้แต่ความรู้ความจำเกี่ยวกับ ความรู้บนโลกใบนี้อย่างเช่นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหรือว่าเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนเอาไฮโดรเจนสองอะตอมมาใส่กับ oxygen, ออกซิเจนหนึ่งอะตอมกลายเป็นน้ำเงี้ยความรู้เรื่องนี้เอาไปไม่ได้แต่ความรู้ที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยมันเอาไปได้มันติดใจไปได้ก็คืออย่างบางคนรักษาศีลเห็นคุณงามความดีของการที่เราไม่เราร้อนเพราะเรามีศีลอยู่ในใจเงี้ย รักษาศีลอยู่จนเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันก็กลายไปเป็นว่าเกิดใหม่พบใหม่เงี้ยนิสัยตัวนี้มันก็ติดไปด้วยทะไมบางคนเกิดมาแล้วอิเล็กทิคขะบางคนเกิดมาแล้วก็แบบโอ้ใจบุญสนทานอย่างเงี้พราะว่าเป็นเป็นนิสัยที่มันสังสมติดไว้อยู่ในใจย่จาบางคนเกิดมาปุ๊บ ม, มันเหมือนจะมีมีทุนเก่า ที่จะมีสติคอยเห็นใจเห็นความรู้สึกมีใจคุยกับตัวเองอยู่บ่อยๆแสดงว่าเขาก็ฝึกสติมาดีแต่อาจจะไม่ได้รู้ก็ได้ว่าเอออันนี้มันมันเป็นของดีนะแต่มาเป็นธรรมชาติที่ก็เป็นก็เป็นได้อย่างบางคนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแบบนี้เนี่ยก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นไว เข้าใจง่ายแต่บางคน ร, รู้สึกโอ๊้เรื่องน่าเบือ่อผู้อะไรนู้ไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เห็นสนุกเลยอันนี้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้สั่งสมเรื่องความเข้าใจในลักษณะอันนี้เอาไว้ที่จิตใจเลยมันก็อย่างที่บอกมันก็เป็นความยาก ง, ง่ายเขาเรียกเป็นต้นทุนที่เขาแบกติดตัวกันไปติดใจกันไปค้ำพบค้ำชาติไป เพราะนันนี่คือสาระจริงๆที่ที่มันจะเอาไปได้นะเพราะนั้นเราก็พยายามมองให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะได้วางตัววางการกระทาวางจิตใจของเราได้มันถูกตรงถูกต้องตามความเป็นจริงได้ได้ดีขึ้นได้ประณีตขึ้นแล้วก็ ย้ำอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรที่ไกลเกินไปที่ไหนทําอยู่ที่ปลายจมูกเราเท่านั้นเองมีสติกับลมหายใจมีสติอยู่กับคําบริกรรมมีสติเฉพาะหน้าอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่แค่ตรงนี้นี่ทาอยู่ที่แค่ตรงนี้นี่